พุทธวัจน์สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะในการสังสรรค์ เปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับเราท่านอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบ <laughs> เท่ากับว่าคนไทยยังทําบุญกันเยอะถูกมั้ยคะเอ่อทําบุญหมายถึงว่าด้วยการปฏิบัตินะนี่คือเหมือนยังมานี่มาค่ะที่ดิฉันอืมค่ะยิ่งยิ่งไม่ดีนี่ค่ะอ่าเราต้อง เอ่อในสังคมมีความหรือว่าไปทําแหนทําไปทําความค่ะเอ่อคงจะเป็นที่ถูกเนี่ยควรจะต้องเป็นว่ายิ่งคนอื่น เอ่อวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาใช่ป่ะคนชาวพุทธก็มาจะเชื่อว่าการทําเนี่ยเป็นจริงๆพระพุทธเจ้า นางวิสาขาเนี่ยเค้าๆมากเลยอาหารก็แบ่งเป็นประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทโน้นนะอ่าผ้าก็แบ่งเป็น เดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าเออเป็นการทํากุศลก็ไม่มีปัญหาให้ทําได้อ่าคือว่าอาบกลางแจ้งในสมัย ผู้บาอาจารย์ท่านสอนกันว่าน้ําฝนเนี่ยเป็นยานะคืออืมตัวอาตมาเองพอฝนตกหนักๆนี่เราก็แอบไป มาใหม่ๆฝนแรกถ้าเปียกแล้วจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยอ่านิยม คนที่ศรัทธาก็อาจจะคล้ายๆนางวิสาขาเหมือนกันนะคะใช่ๆแล้วก็คง เอ่อคําพรรษาเนี่ยมีเหตุมัญจการที่ภิกษุเนี่ยเอ่อคือภิกษุเนี่ยเค้าก็เที่ยวเดินทางไปนั่นนี่นะแล้วช่วงฤดูฝนก็ไม่เว้นนะก็เลยทําให้ในเดเดเดเอ 4 เดือน 3 เดือน นะให้จำบรรจาเดเด 3 เดือนนี้นะก็อนุญาตการจำบรรจานะก็เลยอนุญาตให้เด นะ, 3 เดือน คือในช่วง <c oughs> 4 <c oughs> เดือนฤดู <c oughs> 3 เดือนแรก 3 เดือนหลังค่ะฤดูฝนมี 4 เดือนอืมค่ะเอ่อในครั้งๆแบบกรุงเทพฯ ที่รถวิ่งกับถนนคนเดินใช้ร่วมมันธุลักธุเลอือรถก็เหยียบน้ําสาดใส่คนบ้างใน เนี่ยจะไปเยี่ยมกันๆบอกไม่ต้องไปวัดแต่ทําดีช่วงเช่นเรื่องๆก็งดจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทําอะไรมากที่สุดคะในช่วงเนี่ยถ้าสมมุติอย่างพระ นะประชาตรัสอนิสงส์ของการอยู่เป็นที่นาวาเยอะมากเอ่อควรอยู่เป็นที่เพราะอะไร เอก소 ผู้นะทรงทําทรงวินัยทรงมัธิกาทรงแม่บทนะประจำบัญชาแล้วข้อที่ของเอ่อคารวาทก็เหมือนสามารถทํา ปหุสูตนะคราวว่าก็เป็นปหุสูตได้ค่ะอืมแต่ถ้าถ้าปกติฤดูธรรมดาเดินทางสะดวก มาไว้ที่บ้านคือเป็นวัดที่จะให้การสามัคคีสนทนาได้ธรรมะเป็นชุดๆแบบเนี้ยจะได้ ความดับของทุกข์ทั้งดําเนินถึงทุกขอริยสัจ 4 อันใดอันหนึ่งแล้วเราปฏิบัติเพื่อความเป็นๆก็คือว่าเท่ากับท่านตอบ อาเตือนที่เหลืออืมก็ให้เลือกใช่คือคือค่ะนะเราเอาตรง 3 เดือนนี้ตั้งค่ะบางอย่างบางคนกินจุกกิม เอาทําให้มันดีอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็งดๆนะคะแต่พอๆเลยแปลกมากเลยเอ๊ะทําไมเอ่อวันๆไปธรรมดา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วยกลับทําไม่น่าจะดีกว่าอืมก็อันนี้มันขึ้น ดังนั้นขอเทคนิคพระพุทธเจ้าเลยได้มั้ยๆแล้วทําตั้งมั่นอยู่ได้เหมือนงดเหล้าเข้าพรรษา นะฉันทาเกิดๆปลูกนะถ้าเรามีกําลังใจในค่ะเอ่อ<ใช> ที่ดิฉันมักจะได้ยินในพุทธวจนะว่าพระพุทธองค์จะตรัสว่าให้รู้ถึงรสอร่อยถึงโทษแล้วก็จะทําให้มองเห็นใช่อันนี้ก็คือเอ่อข้อปฏิบัติ เรื่องบางเรื่องเนี่ยเหมือนง่ายสําหรับบางคนแต่มันยากสําหรับบางคนซึ่งอืมเนี่ย ไม่ให้ดื่มทีนี้พอตอนนั้นก็ยังไม่มีความ ทำให้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากคือจะค่ะดัง ท่านเพิ่มมากขึ้นที่จะได้ช่วยสร้างศรัทธาให้ท่านละในเพราะ ชีวิตของคนเรานั้นเรานึกว่าเวลาเนี่ยมันยาว